ไม่ใช่หวังพึ่งการอ้อนวอนหรือนอนคอยโชคเป็นต้นดังได้เคยกล่าวแล้ว